ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในชุดพุทธวิธีชนะความทุกข์เป็นครั้งที่ห้าในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าการดับทุกข์อันเกิดจากธรรมชาติภายนอก ที่ไร้เจตนาขอให้ทบทวนเรื่องที่ได้บรรยายมาแล้วแต่ผลหลังในครั้งแรกที่สุดได้พูดโดยทั่ ว, วไปให้ทราบว่าทำไมสิ่งที่มีชีวิตจึงต้องเป็นทุกข์และในครั้งต่อมาได้พิจารณากาันถึงการดับทุกข์ ที่มีอยู่ในตัวการดำรงชีวิตนั่นเองการดำรงชีวิตเป็นเหมือนกับการแบกของหนักมันจึงมีความทุกข์อยู่ในการดำรงชีวิตหรือตัวการดำรงชีวิตก็เป็นความทุกข์เจีเองดังนี้ในครั้งที่สามผู้ต้องการดับทุกข์ที่เกิดมาจากการดำรงชีวิตที่ผิ ด, ผด ไม่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของการดำรงชีวิตในในครั้งที่สี่ครั้งสุดท้ายการดับทุกข์ที่เกิดมาจากการรบกวนของนิวรของกิเลสและของอาการของกิเลสส่วนในวันนี้จะได้กล่าวถึงความทุกข์อันเกิดจากธรรมชาติภายนอก ที่ร้ายเจตนาที่จริงมันควรจะกล่าวเป็นเรื่องสุดท้ายแต่มากล่าวในตอนนี้ก็เพราะเหตุว่าจะได้เป็นเครื่องเปรียบเทียบกันและให้เข้าใจซึ่งถึงพระพุทธภาสิาที่ตรัสว่าสุขและทุกข์ไม่ใช่เป็นผลของกรรมเก่า ท่านจะต้องพิจารณาในข้อนี้เป็นส่วนสําคัญสุขทุกสุขและทุก์มิใช่เกิดมาจากกรรมเก่าไม่ใช่เป็นผลของกรรมเก่าเดี๋ยวนี้พวกเราอะไ ร, ะไรนิดก็ผลของกรรมเก่าอะไรนี้ก็ผลของกรรมเก่ามันเป็นการแสดงว่าหมดฝีไม้ลายมือที่จะเอาชนะ ความทุกข์ได้ยอมตัวให้เป็นเรื่องของกรรมเก่าไปจนหมดสิ้นแล้วก็ทนทุกข์ไปโดยคิดว่าเป็นผลของกรรมเก่าโดยไม่มีความรู้ความเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของอิทัิปัจจิตาเพ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทัิปัจจิตาในปัจจุบันทีน่นี้อิทัิปัจจิตานั่นมันยังมี ทั้งในส่วนที่มีเจตนาและส่วนที่มิได้มีเจตนาเราจะเรียกว่าอิทธิปัจจตาที่เป็นภายในของสิ่งที่มีชีวิตนั่นเองหรือว่าอิทธิปัจจตาที่เป็นภายนอกของสิ่งที่มีชีวิตนั่นจะต้องสังเกตด้วยดีๆเข้าใจให้ดีๆเรื่องกฎเกณฑ์ของอิทธิปัจจตาว่านั่นแหละเป็นต้นเหตุของสุขหรือทุกข์ ที่นี้มันก็ยังมีส่วนที่เป็นภายนอกไม่เกี่ยวกับเจตนามันก็ยังไม่มันก็ยังเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ได้เพราะคนงูงงูย่อมไปเอาเรื่องภายนอกเข้ามาทำเป็นเรื่องภายในของตัวเสมอธรรมชาติมันเกิด อ, อยู่ตามธรรมชาติในภายนอกมันก็ามาเป็นเรื่องของกูเป็นเรื่องของตัวกู อิทัิปัจจิตาภายนอกก็เลยมากลายเป็นอิทธิปัจจิตาภายในทาให้คนนั้นเ่านั้นมีความทุกข์จึงได้เอาเรื่องนี้มากล่าวในตอนนี้เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าอิทัิปัจจิตาภายนอกก็ยังมีที่จะทำให้คนเรามีความทุกข์ได้ขอให้ศึกษาสังเกตดูให้ดีๆในส่วนนี้ <c oughs> จะพูดไปตามลำดับถึงเรื่องอิทัิปัจจิตาภายนอกซึ่งไม่มีเจตนาไม่มีจิตไม่มีวิญญาณมันก็เป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์หรือความสุขได้คือว่าถ้าเอาชนะมันได้ก็เป็นความดับทุกข์หรือเป็นความสุข <c oughs> ถ้าเอาชนะไม่ได้ก็มานาั่งร้องไห้เป็นทุกข์อยู่ อย่างแรกที่สุดที่จะเอามาพูดก็คือว่าให้ความทุกข์ที่เกิดมาจากการแปรปรวนของธรรมชาติที่เกินธรรมดา <c oughs> ที่ว่าเกินธรรมดาในที่นี้มันก็พอจะเข้าใจกันได้ว่ามันไม่ได้อยู่ในวิสัยที่ใครจะช่วยใครได้เช่นว่าฟ้าถล่มลงมา เนบริเวณกว้างก็ไม่มีใครช่วยกันได้หรือว่าผู้เขาไฟระเบิดออกมาก็มาอยู่ในวิสัยที่ใครจะช่วยใครได้ส่วนน้าท่วมใหญ่ก็มาอยู่ในวิสัยที่ใครจะช่วยใครได้ <c oughs> ความแปรปรวนของธรรมชาติ <c oughs> เหล่านี้ <c oughs> มันเป็นอิทัิปฏจยาตาของธรรมชาติ เหล่านั้นนั่นเองท <c oughs> ีมันก็จะต้องมี <c oughs> ผู้ที่คิดว่าเป็นความทุกข์ของเราเป็นกรรมเก่าของเราอทําให้เราต้องได้รับทุกข์อันนั้นซึ่งเป็นเพียงธรรมชาติแปรปรวนเกินกว่าธรรมดาอขอยคิดดู ด, ดีๆมันจะมีอยู่ทั่วๆไปเหมือนกัน เราจะต้องรู้ว่ามันเป็นอิทพปัจจยตาอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทำให้แผ่นดินถลมให้แผ่นดินไว้พังถลาย <c oughs> ให้ภูเขาไฟระเบิด <c oughs> ให้น้าท่วมโลก <c oughs> เรานี่มันเป็นอิทัปัจจาตาของสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นธรรมชาติล้วนๆแล้วก็เป็นไปได้ตามกฎเกณฑ์หรือตามธรรมดาของธรรมชาติล้วนๆมวนนี่คนที่ไม่รู้แล้วก็รั่วเอง <c oughs> ว้าว เ, เองคิดเอาเองว่าโอ้นี่เป็นเรื่องกรรมเก่าของเราด้วย <c oughs> บางทีก็ยกให้ว่า <c oughs> เป็นกรรมเก่าของคนเหล่านั้นนทั้งหมดนะ ที่มันตายกันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านก็ตามใจเป็นผลแห่งกรรมเก่าของคนเหล่านั้นรวมกันทำให้เกิดเหตุการณ์อันนั้นขึ้นมา <c oughs> ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นผลของกรรมเก่าของคนเหล่านั้นนี่มันผิดกับหลักที่พระพุทธเจ้าท่านเด็ดขาดไว้ว่าสุขและทุกข์มีใจผลของกรรมเก่า <c oughs> ขอทบทวนความเข้าใจทีหนึ่งก็ได้ว่าได้เคยเาเรื่องนี้มาพูด ไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งแล้วว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าไอ้สุขและทุกข์ไม่ใช่ผลของกรรมเก่าและไม่ใช่การบันดาลของอีส่วนคือพระเจ้าและไม่ใช่ว่าจะไม่มีเหตุปัจจัยอะไรเสียเลยนี่สมมติว่าอ่าแผ่นดินไหว้ายถล่มยุบลงไปตายกันเป็นแสนเป็นล้า น, น <c oughs> ก็ไม่ใช่ผลกรรมเก่าของคนเหล่านั้น จะไปรับไปเหมาให้เป็นผลกรรมเก่าคนเหล่านั้นมันก็ว่าเอาเองแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าพระเจ้าพระอีสวนพระอะไรมาบันดาลมันเป็นของธรรมชาติเช่นนั้นเองนั่นแล้วว่าอาการเช่นนั้นไม่ใช่ว่าจะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเสียเลยมันก็มีเหตุมีปัจจัยของมันเอง <c oughs> แผ่นดินไว้จึงแผ่นดินจึงไว้ฟ้าจึงถล่มตายกันเป็นหมื่นเป็นแสนเหล่านี้ มันก็มีเหตุมีปัจจัยแล้วก็มันไม่เชื่อการบันลานของพระเจ้าแต่มันก็มีใช่เป็นเพราะกรรมเก่าของสัตว์เหล่านั้นแต่มันเป็นอิทัพปัจจยตาคือสิ่งที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัพปัจจะตาตามธรรมชาติว่าถ้ามีสิ่งนี้สิ่งนี้ต้องมีสิ่งมีสิ่งนี้สิ่งนี้ต้องมีมีสิ่งนี้สิ่งนี้ต้องมีมันเป็นลําดับลําดับไปมันเหตุปัจจัยตามธรรมชาติที่ทําให้ ต้องแผนดินไว้ฟ้าถล่มนั่นมันก็มีะจะว่าอย่างไร <c oughs> จะช่วยได้อย่างไรคนคิดมากไปเองคิดมากไปเองจนเป็นทุกข์ไปเองไอคนโง่โง่เสีย อ, อีกที่มีธรรมะ <c oughs> มีธรรมะอย่างงา่ายง่าว่าอ้อมันเช่นนั่นเองโว้ย เราเคยพูดเรื่องตาทตาตาตาเช่นนั่นเองเช่นนั้นเองมากี่สิบครั้งแล้วคอยลึกนึกกันใหม่ถ้าใครยังจําได้ใครเข้าใจเรื่องอิทับเรื่องต า, าตาเช่นนั่นเองก็หัวเราะเยาะได้เพราะมันเช่นนั่นเองตามธรรมชาติแต่ถ้าพูดในถูกต้องก็พูดเช่นนั่นเองตามกฎของอิทับปัจจยตา ใหงความรู้เรื่องเช่นนั้นเองเช่นนั้นเองอะ่ะมันมาช่วยดับความทุกข์อันเกิดมาจากความแปรปรวนของธรรมชาติชนิดที่เกินธรรมดานี่ได้เราอยู่ในโลกนี้มันก็อยู่ในวิสัยที่จะได้รับภัยอันเกิดจากการแปรปรวนของธรรมชาติชนิดที่เกินธรรมดาเมื่อไรก็ได้ <c oughs> อย่าอวดดีไป แม้ไม่ได้มีแม้ไม่ได้อยู่ในเขตที่มีแผ่นดินไหวหรืออะไรมากเหมือนทางบางประเทศแต่อาจจะมีเหตุอะไรได้เหมือนกันที่จะเกิดอุบัติเหตุตามธรรมชาติตายกันมากๆ ก, ก็ได้นี่ก็รู้ว่าเหตุดีเตรียมตัวไว้เหตุดีรดู้ว่าเหตุดีว่าถ้ามันเกิด <c oughs> แผ่นดินไหวตามธรรมชาติแผ่นดินคลม สายกันเป็นหมื่นเป็นแสนมันก็ให้มองเห็นในถูกต้องตามที่เป็นจริงว่ามันเป็นไปตามกฎอิทาัาปจัตตาของธรรมชาติอย่าไปโง่อย่าไปหลงเอาเข้ามาเป็นของกูอย่าไปเอามาเป็นกรรมใหม่กรรมเก่าของกูมันเป็นไปตามธรรมชาติมันก็อย่างนั้นเอง แต่ถ้าไปเอามาเป็นของกูมาคิดมานึกมาปรุงให้เป็นเรื่องของกูเป็นกรรมเก่าของกูนี่มันเกิดไอ้ความทุกข์ขึ้นมาเรียกว่าไปเอาไอ้เรื่องข้างนอกมาเป็นเรื่องข้างในเรื่องที่ไม่ใช่ของตนหรือตัวตนมาเป็นเรื่องของตนถา้ามันเช่นนั่นเองมันก็เป็นธรรมชาติภายนอกตามอิทธปัจจตาภายนอกมันก็เป็นเช่นนั่นเอง ไม่ต้องมีตัวกูเป็นผู้รับความทุกข์หรือเป็นผู้มีกรรมที่จะต้องสนองกรรมอะไรกรรมให้มันเป็นทุกข์เปล่าๆถ้ามันได้เกิดขึ้นจริงก็เช่นนั่นเองหัวร้อยยะดล่ายแต่เพือจะมากลับไปกลับไปไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องเป็นทุกข์อย่างนี้เรียกว่าเราดับทุกข์มันเกิดจากธรรมชาติภายนอกแปรปรวน ที่ราเจตนาไม่ง่ว่าพระเจ้าบันดาลไม่ง่ว่าผลของกรรมเก่าของคนเหล่านั้นแล้วก็ไม่ง่ว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยมันมีเหตุมีปัจจัยของมันเองแต่เราอย่าไปรับออกมาเป็นของเราอย่ามีตัวเราที่รับเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นของเรา ถ้ามันเป็นเช่นนั่นเองของธรรมชาติฝ่ายในเราฝ่ายเราก็ไม่มีตัวเราว่างจากตัวเราตามปกติอยู่ตามปกติเป็นปกติที่ไม่มีการปรุงแต่งคิดนึกว่าเป็นเราหรือเป็นของเราก็เป็นนั้นว่าได้กำจัดความทุกข์นั้นเกิดมาจากธรรมชาติแปรปรวนได้ จะเรียกว่าพูดเผื่อว่าก็ได้มันยังไม่เคยมีมาแต่มันอาจจะมีมาพรือ้ามีมาก็ตอนรับมันในลักษณะอย่างนี้ <c oughs> ที่นี่ในข้อถัดไปอีกก็จะพูดว่าความทุกข์อันเกิดจากปุปเติเหตุที่มี ได้ง่ายยิ่งขึ้นทุกทีในโลกปัจจุบันโลกปัจจุบันเนี่ยมันจะมีอุปิเหตุมากได้ยิ่งขึ้นทุกทีทุกทีเท่าที่โลกมันเจริญ <c oughs> ยบตัวอย่างอย่างเด็กๆ่เมื่อก่อนเนี่ย ม, มันมันมีมีใครถูกรถชนตายบ้างห มันมีใครถูกรถชนตายบ้างมันมีไม่ได้เี่ยโลกมันยังไม่เจริญนี่พอโลกมันเจริญอุปติเหตุที่ถูกรถชนตายมันมีง่ายมีง่ายได้ตามสถิติว่ามีเดือนละหลายหลา ย, ลา ย, ลายปีหนึ่งตั้งพันตั้งหมืน่นอุปติเหตุที่เกิดจากรถชนตายเนี่ยว่าในโลกนี้มันจะต้องมีอุปัติเหตุอย่างนี้ยิ่งขึ้นทุกทีแล้วก็เป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกัน นี่เราจะดูกันให้ดีว่ามันก็เป็นเช่นนั่นเองเป็นธรรมดาถ้าไม่มีเรือบินใครมันจะตกเรือบินตายนะมันก็ไม่มีเดี๋ยวนี้มันตกเรือบินตายมากกว่าควายขีดตายแต่อีกหนึ่งถ้าว่ามันมีความเจริญก้าวหน้าเรื่องรถไฟชนกันทั้งกระบวนตายกันเป็นร้อยอย่างนี้ก่อนนี้มันก็ไม่มีเพราะมันไม่มีรถไฟ เนี่ยอุปัติเหตุที่เกิดมาจากความเจริญในโลกปัจจุบันซึ่งจะมีได้ง่ายยิ่งขึ้นทุกทีนะเขอสังเกตคําว่ามันมีได้ง่ายยิ่งขึ้นทุกทีเพราะมันมีมากขึ้นทุกทีถ้ามันเจริญมากมันก็มีรถวิ่งมากโอกาสที่ถูกรถชนมันก็มากยิ่งขึ้นทุกที ันเดี๋ยวนี้ยนอ่นทีนันือพิมพ์มีข่าวเมื่อวานนี้ว่ากรุงเทพน้ําท่วม <c oughs> แล้วเฉพาะไอ้คนตายเพราะไฟฟ้าดูดนอะไฟฟ้ามันรั่วจากไอ้เสา <c oughs> หรือจากเครื่องไฟฟ้าอะไรก็ได้มันอยู่ในน้ำํำแล้วคนมันไม่รู้มันเดินเข้าไปในเขตนั้นไฟฟ้าก็ดูดตายหลายคนหรือหลายสิบคน <c oughs> ไฟฟ้ามันดูดตายนี่เพราะมันมีความเจริญเพราะมันมีไฟฟ้าถ้ามันมีไฟฟ้าก็มันไม่มีไฟฟ้าไหนจะดูดตายนี่รู้ว่าความตายนะเนี่ยหรืออันตรายถึงตายเนะ่มันมีมากมีง่ายยิ่งขึ้นทุกทีเท่ากับความเจริญมาทางวัตถุของมนุษย์มันเสรียมตัวไว้เถอะว่ายิ่งเจริญเท่าไหร่อุปัติเหตุ ให้ถึงตายเพราะความเจริญของมนุษย์นั้นมันจะยิ่งมีมากขึ้นขนานั้นแล้วเราจะทำอย่างไร <c oughs> อย่าไปโง่นั่งร้องไห้เสียใจว่าเป็นกรรมเก่าของกูหรือกรรมเก่าของคนเหล่านี้ <c oughs> มันก็เป็นเรื่องที่ว่ามันเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจเจตา การที่โลกนี้จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นทางนั้นทางนี้ทางโน้นจเจริญขึ้นมันก็เป็นเรื่องของอิทัปัจเจตาอเพราะว่ามีความต้องการมากมันค้นคว้าค้นหามากมันก็ประดิษฐ์ขึ้นมาได้มากมันก็มีของแปลกแปล ก, ปลกใหม่ๆ ม, มากมายมหาศารขึ้นมาในโลก <c oughs> แล้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหตุให้เกิดอุปปัติเหตุนี่จริงๆมันเกิดโดยไม่ขาดหวังมากขึ้น นั่นก็จะได้คิดว่ามันเป็นกรรมเก่าของอะไรเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นกรรเก่าที่มีในชาติก่อนที่กูได้ทำไว้หรือว่าเป็นพระเจ้า อ, องค์ไหนมาบันดาลมันก็ไม่มีถ้ามันโง่หนักเกินกว่านั้นมันก็ว่าเพราะดาวหางหันเล่มันมาแล้วอย่างนี้เป็นต้น แต่ว่าจะไม่มีจะต่จะถือว่าไม่มีเหตุปัใจจัยในเส้นเลยก็ไม่ได้มันก็มีเหตุปัจจัยตามแบบของมันมนุษย์มันกระหายมากมันอยากจะเอร็ดอร่อยสนุกสนานยิง่งยิ่งขึ้นไปมันก็ประดิษฐ์นั่นประดิษฐ์นี่ประดิษฐ์นู่นขึ้นมาซึ่งล้วนแต่มีอันตรายแฝงอยู่ในนั้นทางนั้นเพราะมีความจเจริญก้าวหน้า ทีนี้อาจจะจะแก้ด้วยอะไรมันก็ยางเดียวกันอีกแหละว่าโลกมันเช่นนี้เองโลกมันเช่นนี้เองมันเป็นเช่นนี้เองเช่นนั้นเองของอิทธิปัจจตาภายนอกอย่ารับเอาเข้ามาในภายในเป็นเรื่องของตัวตนหรือของตนและทางให้ที่ดีที่สุดก็อย่าไปหลงกับมันก็แล้วกันไอ้เรื่องความเจริญโดยวัตถุอย่างนั้นอย่างนี้ที่เกินจาเป็ น, นอย่าไปเอาับมัน มันก็ไม่มีโอกาสจะถูกอันตรายด้วยอุปอัติเหตุออันเกิดจากความเจริญนั่นนั่นอย่างว่ามีไฟฟ้าใชา้มันก็มีอันตรายพร้อมที่จะตายด้วยไฟฟ้านะเนื่องมาด้วยเสร็จอย่างน้อยที่สุดก็มีไฟฟ้าใชา้แล้วก็อาความสะดวกติดปลักเจยบไฟฟ้าว่าเจ็บเตี้ ย, ยที่พื้นพอน้ําท่วมเข้ามาก็เกิดเรื่อง โดยไม่รู้ลืมไปหรือชักออกไม่ทันมันก็ถึงตายได้เพียงคราวนี้มันก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องของความเจริญที่เปิดโอกาสให้เกิดอุปติเหตุอย่างมากมายอย่าเลนึกว่าเรื่องกรรมเก่าเรื่องพระเจ้าบันดาลเรื่องไม่มีเหตุปัจจัยอะไรนี่กว่าถ้ามันเป็นทุกข์ขึ้นมาเมื่ อ, อไรแล้วก็เพราะไปรับเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นของตนในภายใน ทั้งที่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นของธรรมชาติในภายนอกอ่าดูเป็นต่อไปความทุกข์เกิดมาจากการต้องอยู่ร่วมโลกกับคนพาน <c oughs> คนอันคพาลกับคนพาล มันก็มีอยู่ในโลกเราก็อยู่ในโลกมันจําเป็นจะต้องอยู่ร่วมโลกกับคนอันธพาล <c oughs> คิดดูมันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นอะไรเกิดขึ้นเพราต้องอยู่ร่วมโลกกับคนอันธพาลใ้ <c oughs> ความคิดอันนี้คามคิดพ่อนี่มันเกิดจากธรรมาเหมือนนั่งรถยนต์สวนทางกันกับรถยนต์ของ คนขับอันธพานมันทำผิดทุกอย่างเขาอทำผิดทุกอย่างในทุกแง่ทุกมุมเลยคนอันธพานขับรถห้เราที่ไม่ใช่อันธถาน่ะคนขับที่ไม่ใช่อันธพานกันที่เรานั่งต้องกทำอย่างหลบหลีกป้องกันอย่างดีที่สุดสุดวิสัยเป็นเกียดอย่างเส้นผมเดียวมันจะจะชนกันแล้วนี่ในโลกมันมีคนอันธถาน แล้วคนดีอย่ามา ม, า ม, า ม, า ม, ามาัวถือถือด้านกูถูกกูไม่ผิดถูกหรือผิดไม่รู้คนอันธพาลก็ชนแหลกไปทั้งนั้นนั้นจะต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าเราต้องอยู่ร่วมโลกกับคนอันธพาลนั่นก็เป็นธรรมดาเดี๋ยวนี้ก็ทั่วไปและมันมีโจรมีขโมยมันต้องอยู่ร่วมโลกกับโจรขโมยมันก็จะถูกโจรเขาล่นเขาจี้เขาขโมยนี่ก็เป็นธรรมดา นีไ่ไม่ใช่กรรมเก่าไม่ใช่กรรมเก่าไม่ใช่บาปบุญบาปอะไกรรมเก่าอะไรทิ้งหายมันเป็นเรื่องการที่ต้องอยู่ร่วมโลกกับคนอันธพาลแม่ในบ้านในครอบครัวนี่ถ้ามีคนอันธพาลเกิดขึ้นสักคนหนึ่งเท่านั้นแมมันมันเดือดร้อนมหาศาลนะที่จะต้องอยู่ร่วมโลกร่วมครอบครัวกับคนอันธพาลในวัดในวานี่ก็เหมือนกันสมภารต้องหนักอกหนักใจอย่างยิ่งเมื่อมี คนอันธาพาลเป็นพระเป็นเนรก็ได้มันเกิดขึ้นสักคนหนึ่งสักองค์หนึ่งกงันนั้นการที่จังอยู่ร่วมโลกกับคนอันธาพาลคิดไว้ล่วงหน้าแล้วก็อย่าได้ไปโมโหโกรธาด่ามันเลยเ <c oughs> มื่อรถคนอันธาพาลขับสวนมาอุดวิดจวนจนการพอท้อยหลังมันก็ต่างฝ่ายต่างด่ากันทั้งนั้น อันธพาลมันยังอ้างสิทธิที่ว่าไอ้เรานี่คุณฝ่ายทําผิดล้าเส้นล้ำอะไรของมันมันก็ด่าดาไอ้คนที่ทําถูกตามกฎนี่ยมันก็ด่าด่าด่าคนอันธพาลว่ามันอันธพาลนี่การที่ต้องอยู่ร่วมโลกกับคนอันธพาลมันมีผลอย่างนี้นั่นอย่าถือเป็นเรื่องกรรมเก่าอะไรหรือพระเจ้าที่ไหนบันดาลอะไรมันเป็นของธรรมชาติธรรมดาเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นมา เพราะต้องอยู่ร่วมโลกกับคนอันธพานคิดดูดีๆถ้าต้องชาติบังเอิญมันจาเป็นต้องมีลูกจ้างคนหนึ่งเป็นอันธพาลเจ้าของหนักออกหนักใจเท่าไรแล้วถ้ามีลูกหลานของตัวเองเกิดเป็นอันธพานขึ้นมาสักคนหนึ่งในครอบครัวนี้มันเดือดร้อนสักเท่าไหร่กพราะมันเนื่องด้วยกันมันถึงกัน อยู่กันในเมืองนี่บ้านนี่หมื่นคนพันคนหมื่นคนเกิดมีคนอันธพาลขึ้นมาสักคนเดียวเท่านั้นแหละมันเดือดร้อนเท่าไหร่ความทุกข์ที่เกิดมันจากการต้องอยู่ร่วมโลกกับคนอันธพาลเนี่ยก็มีก็มีมมบอกให้รู้เป็นความทุกข์นอกบาลีงั้นแหะที่เอามาพูดนี่ไม่มีไต่บาลีอะในความทุกข์อย่างนี้ความทุกข์นอกบาลี แต่มันก็ได้มีอยู่จริงมันมิสูจน์หยู่จริงๆว่ามันได้มีอยู่จริงมเตรียมตัวไว้พร้อมเถอะที่ว่าจะหัวเราะเยาะเมื่อมันจะเกิดความทุกข์เกิดอันต ร, รายมาจากการที่ต้องอยู่ร่วมโลกกับคนผ่านไม่ต้องกลัวตายมันก็ไม่ต้องกลัวมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของกัอีทับปัจเจาตาตามธรรมดาแต่ก็ต้องคิดเผื่อไว้คิดเผื่อไว้ สมมติว่าจะขับรถไปในถนนนี่ต้องเผื่อไว้ว่ามันจะมีคนอันธพานอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนโน้นออกมาเผื่อว้จะตามสมควรไม่ใช่ว่ากลัว <c oughs> ไปช่หมด <c oughs> จนทาอะไรไม่ได้จึงพูดไว้เป็นหลัก ท, ทั่วไปว่าใครก็ตามจะทำอะไรลงไปนะั่นขอคิดเผื่อไว้บ้างว่าถ้ามันจะไปเนื่องกับคนอันธพาลมันจะสวนทางกับคนอันธพาลจะเกี่ยวข้องกับคนอันธพาล หรือว่จะไปสัมพันธ์กันโดยวิธีใดไปจ้างไปวานไปอะไรกับเขานี่มันต้องคิดเผื่อไว้บ้างมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นมาจากคนอันธพาลแต่ที่นี่ไม่ถึงขนาดนั้นเราต่างคนต่างอยู่เนี่ยแต่มันอยู่ร่วมโลกกันมันอยู่ร่วมโลกกันอุ้ยมันก็มีปัญหาเช่นว่าคนอันธพาลเขาไม่รักษาความสะอาดเขาทําความสกปรก ลงไปในครูในคลองในน้องในอะไรต่างๆจนโรคระบาดจนอะไรเสียหายนั่นก็เพราะว่ามันต้องอยู่ร่วมกับคนอันธภานความทุกข์ที่มันนอกบาลี <c oughs> ต้องทาตนให้เหมาะสมต้องปรับตัวเองเนี่ยให้เหมาะสมที่จะอยู่ร่วมโลกกับคนอันธพาลในสิ่งที่จะแก้ได้มันก็ไม่ใช่อะไรอีกแกะ เช่นนั่นเองอะไรเช่นนั่นเองแต่มันต้องเช่นนั่นเองให้มากขึ้นสองเท่าสามเท่าถ้าต้องอยู่ร่วมโลกกับคนอัตพาลต้องเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองให้มากขึ้นห้าสักสองเท่าอทีนี้ที่หน้าหูวที่จะจใกล้ตัวยิ่งขึ้นมาอีกซึ่งหน้าหัวที่สุดนะ ไปฟังใดีว่าไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดจากอความหวังดีจนเกินขอบเขตของคนโง่และคนซื่อคนโง่ก็ได้คนซื่อก็ได้มันหวังดีแกเราจนเกินขอบเขตมันจะทําอะไรบ้าๆบอๆผิดมาตรฐานที่ควรจะทําเสมอเขาทํำด้วยความรักความหวังดี แต่ว่าความโง่ของเขาเนี่ยความซื่อความเซอ่อของเขาทําเกินขอบเขตหรือนอกลูก่นอกทางเสมอไปอเป็นเหตุให้ต้องเกิดเอ่ความทุกข์บางคนจะพูดยัไงไงง่โอ้มันซื่อมันตรงมันนั่นแล้วมันก็วหาใจได้ระวังหน่อยไอ้คนซื่อคนตรงน่ะถ้ามันโง่มันร้ายร้ายกาจจริงกว่าคนคตก็ได้ เราจะตังคิดเผื่อไว้ว่าไอ้ความหวังดีความรักของคนซื่อหรือคนโง่ที่มันจะทำอะไรเกินขอบเขตก็นำมาซึ่งความทุกข์เป็นอิทธิปตฏยาตาของความทุกข์ด้วยเหมือนกันในเรื่องคนซื่อมันก็ทำอะไรไปตามแบบคนซื่อมันหวังดีอย่างไรมันก็ทำอย่างนั้น เคยโดนมาแล้วเคยถูกมาแล้วมากมายไม่ต้องออกชื่ อ, อมันก็มีปัญหามีความเดือดร้อนซึงคนที่มีความรักเหมือนกันถ้ามันโง่แล้วมันจะต้องทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากเดือดร้อนไปตามแบบของคนซื่อของคนโง่มันวังดีแท้ๆแต่และการกระทำของมันมากลายเป็นนํามาซึงปัญหายุ่งยากไปหมดเป็นความทุกข์ไปเลยนี่เป็น เรื่องที่หน้าหน้าหัวกันหน้าหัวหน้าเศร้าวกันหน้าท้าวหน้าสงสารกันหน้าสงสารว่ า, ร า, า, ราวเราต้องอยู่ร่วมกันกันกบไอ้คนโง่หรือคนซื่อที่หวังดีเคยมักจะทําอะไรผิดธรรมดายุ่งยากลําบากเคลื่อนย้ายนั่นนี่ยุ่งกันไปหมดจนลาบากในที่สุดจริงหรือไม่จริงเขาไปลองคิดดู บางทีเขาจะทำอะไรเกินเกินขอบเขตที่ควรกระทำจนกลายเป็นสร้างปัญหาขึ้นมาให้เราต้องยุ่งยากลำบากเพราะาความซื่อของเขาหรือความวังดีของเขาความซื่ อ, อความวังดีของคนซื่อจนเซ่อหรือคนโง่นั่นเองแล้วก็ต้องอยู่ร่วมโลกกันกับคนโง่หรือคนซื่อคิดดูให้ดี แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะแก้ไขได้ก็ยางเดียวกันอีกแหละมันเป็นอิทัิปัจจตาภายนอกอย่ารับเอากมาเป็นภายในให้เราถูกทำอย่างนั้นเป็นกรมเก่าอย่างนี้อย่าไปคิดอย่างนั้นมันป่วยกามันเป็นอิทัิปัจจตาซ้ายหนึ่งของมันเองอย่าไปรับเอามาเป็นของเรามันอยู่ข้างนอกนี่ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์มันก็เป็นเรื่องตามธรรมดามันต้องมีเสียหายมีได้มีเสียมีได้มีเสียมี ไอ้กันอยู่อย่างนี้ตามแบบของธรรมชาติธรมรมดาแต่ถ้ารู้ว้ายันมันก็ดีมันจะได้ป้องกันไล่บ้างตามสมควรจะได้พูดจาปรับปรุงความเข้าใจกันกันกบไอ้คนที่มันซื่อ <c ười> จนเซ่อฟังดีด้วยความซื่อด้วยความเซ่อแล้วก็เกินขอบเขต แต่ตักเตือนเขาไว้ว่าไม่ต้องทําถึงขนาดนั้นทําเพียงเท่านี้มันก็จะพอป้องกันได้บ้างแต่ถ้าว่ามันในในรายที่มันป้องกันไหวไม่ได้มันเกิดเสียหายหขึ้นมาก็แก้ได้ธรรมะสูงสุดในพระพุทธศาสนาอีกนะ่นคือเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองแต่ทีนี้ต้องเช่นนั่นเองหลายเท่าแล้วเช่นนั่นเองเท่าเดียวไม่พอต้องเช่นนั่นเองสามเท่าสี่เท่าห้าเท่าสิบเท่ามันเช่นนั่นเอง มันต้องเอาไอ้พระคาถาเช่นนั่นเองก็มาใช้มากขึ้นไปอีกถ้ามีสติปัญญาป้องกันรู้เท่ารู้ทันสังเกตไว้ดีมันก็ป้องกันได้มากเหมือนกันไม่ใช่ป้องกันไม่ได้ป้องกันอันตรายอันจะเกิดมาจากคนที่วังดีแต่เป็นคนซื่อหรือเป็นคนโง่ บางทีอาจจะเป็นสามีภรรยากันก็ได้มันรักที่สุดนะแต่มันซื่อหรือมันโง่มันก็ต้องทำอะไรไปในลักษณะที่เป็นปัญหาเสมอนั่นก็เตรียมอิทัิปัจจตาว่าเพียงพอต้องหลายเท่าทีเดียวนี่แก้ได้โดยอิทัิปัจจตามาเรื่อยๆทีนี้อยากจะพูดสักอย่างว่า การที่ต้องต่อสู้กับสิ่งยั่วยวนในโลกซึ่งรุนแรงยิ่งขึ้นทุกทีในโลกนี้มีสิ่งที่ยั่วยวนกิเลสของเรานะ่ะรุนแรงยิ่งขึ้นทุกทีในโลกนี้มีสิ่งยั่วให้เราโลภยิ่งขึ้นทุกที มีเรื่องที่จะย่ย่ยเราโกรธโมโ ห, โหให้อยิ่งขึ้นทุกทีให้เราล้มไหลยิ่งขึ้นทุกทีมันยังมีเรื่องที่ทำให้เรามีโลภาโทสะโมหายิ่งขึ้นทุกทีในโลกนี้เราจะต้องต่อสู้กับสิ่งยุ่ยยวนในโลกที่รุนแรงยิ่งขึ้นทุกทีนี่ก็เป็นความทุกข์ บางทีก็เป็นโดยตรงเราสู้ไม่ได้แต่บางทีเราก็ไม่ต้องการแต่ลูกเด็กๆมันต้องการนี่ค่ะไ้ลูกเด็กๆมันร้องไห้มันจะเอาสิ่งนั้นมันจะเอาสิ่งนี่สึ่งดีซึ่งสวยสึ่งแพงอพ่อแม่ก็ต้องซื้อหาให้มันก็ยังเดียวกันแหละนี่ก่ะตั้งต่อสู้กับสิ่งที่ยั่วยุนในโลกที่มีพิษพิษอันร้ายกาจยิ่งขึ้นทุกทีทําอย่างไร โดยส่วนตัวสิ่งที่ไม่ควรจะมีไปซื้อหามาจนได้นี่ดีแต่ว่าเป็นพุทธบริษัทนะศีลละธรรมอะไรมันช่วยเหนี่ยวรั้งไว้บ้างจึงไม่ ล, ลุ้งล้เถลิดเปิดเปลืงไปเหมือนกับประชาชนโดยทั่วไปซึ่งลุ้งล้าในสิ่งที่เถริญก้าวหน้าบำรุงบำรเรอในขนาดที่ว่า ในที่สุดวินาศในที่สุดวินาศมันมีรายได้ไม่พอที่จะชใช้จ่ายมันก็ต้องกู้ต้องยืมไม่มีที่กู้ที่ยืมมันก็คอรับชั่นมันก็คบคดโกงทุจริตในหน้าที่นจนเขาจับได้เขาต้องลงโทษติดผู้ตรริดรางในที่สุดมันก็ต้องตายนีย่มันก็มีเรื่องแต่ที่ว่าจะป้องกันการเกิดแห่งกิเลสนี่ มันต้องสามารถบังคับอำนาจความยั่วยวอ่าของสิ่งยั่วยวนที่มีอยู่ในโลกซึ่งยิ่งขึ้นทุกทีการที่บังคับไม่ได้นี่ก็เป็นความทุกข์กระจัดเป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งเป็นความทุกข์นอกบาลีเหมือนกันความทุกข์ที่กล่าวว่าในบาลีไม่ได้กล่าวถึงในความทุกข์เหล่านี้ใช่ไหมอลองคิดดูดีความทุกข์ที่เกิดมาจากธรรมชาติแปรปรวน ก็ไม่เคยพบในบาหลีมีแต่ว่าเรารับเอาเข้ามาเป็นไอ้เรื่องของเราเท่านั้นแหะมันจึงจะเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาเป็นความทุกข์ที่เกิดมาจากอุปปัติเหตุที่มันจะมีได้ง่ายขึ้นในโลกนี่ก็ไม่ได้มีในพระบาลีแต่เรามันก็กําลังมีกันและกาลังเพิ่มขึ้นแล้วกําลังจะเพิ่มขึ้น จนว่าไอ้รถยนต์ทั้งคันมันวิ่งโครมชนบ้านเรือนของเราพังท ล, ลายไปทะลุกันไปในครัวเลยถ้าว่าความจเจริญมันมากถึงก็มีรถยนต์มากมีรถยนต์แรงร่ายขนาดนั้นมันขับผิดขับถูกอะไรกันหลี ก, กันชนบ้านเรือนผู่อยู่ที่อยู่ริมถนนทะลุกันไปในครัวเลยก็มีเหีนเรื่ามมันจะเป็นถึงขนาดนั้นมากขึ้นเป็นไปได้ง่ายขึ้น ความทุกข์อย่างนี้ก็ไม่มีในบาลีความทุกข์เกิดจากการที่ต้องอยู่ร่วมโลกกับคนพาลในบาลีก็มีมีเรื่องโทษของการครอบคนพาลแต่เดียวนี้การที่จยาู้ต้องอยู่ร่วมโลกกับคนพาลมันต้องทำอะไรเผื่อว่าให้คนพาลเขาทำแล้วไม่มาถึงเรา น, ะนี่ไม่ใช่เจตนาจะครบกับเขา ไม่ครบและเกลียดนะแต่ว่ามันมีอะไรที่สัมพันธ์กันอยู่อย่างเช่นว่าจะเดินถน น, นเนี่ยคนพนัหนมันจะขับรถชนเอาเมไรก็ได้ทั้งที่คอยระวังอยู่เสมอ <c oughs> หรือว่า <c oughs> เกิดมาจากความวังดีของคนโง่แหละคนซื่อหรือคนที่รักเรานี่ <c oughs> จะเป็นคนโง่แหละคนซื่อ เราต้องช่วยระวังให้ไปหมดแหละถ้าในบ้านเราครอบครัวเรามีสิบคนมันมีคนโง่คนซื่ออยู่ตสองสามคนแต่นั้นเน่เกือบตายเจ้าของบ้านเน่ะเกือบตายถ้าต้องมีความรู้เพียงพอที่จะช่วยควบคุมป้องกันรักษาคุ้มครองแล้วก็ว่าในปัจจุบันนี้โชคดหีหรือโชคร้ายที่ได้มาเกิดใน ยุปัจจุบันนี้บางคน็จะเใจนะโอ้มันโชคดีเว้ยมีอะไรให้เล่นให้กินให้ใช้โอ้แปลกๆยิ่งกันทุกปีมันโชคดีแต่ถ้าดูแง่หนึ่งอะมันเป็นโชคไม่ดีคือมันต้องทำให้ระมัดระวังแจระมัดระวังตัวอย่างยิ่งไม่เกิดกิเลสตามสิ่งยั่วยวนยั่วยวนอย่างยิ่งยั่วยวนอย่างที่ยากที่จะป้องกัน โทษที่เกิดมาจากความเจริญความเจริญทางวัตถนะุมันมีความเจริญทางวัตถุนะเราก็มักจะพอใจพอใจหลงไหลโง่เอากับมันแต่ความเจริญทางวัตถุนะี่มันนํามาซึ่งโทษมาพร้อมเข้าข้ากันกับความเจริญนะทาให้ต้องการมากเกินกว่าธรรมดากินมากเกินกว่าธรรมดาแต่งเนื้อแต่งตัวมากเกินกว่าธรรมดาใช้ซ้อยมากกว่าธรรมดาอะไระก็ เงินจะมากเกินกว่าธรรมดาเป็นความเจริญแต่เมไฟฟ้ามาถึงมันก็ไม่หุงข้าวกับไม่ฟื้นเสีแล้วพอไฟฟ้ามาถึงอุตสาหดินรนจนซื้อหมออไฟฟ้ายืมเงินเขาก่อนก็ได้มาหุงข้าวกับมออไฟฟ้ามันเป็นความเจริญแต่และปัญหามัเกิดขึ้นเท่าไหร่หรือว่าจะตักน้ําในบอ่อมันก็ตักไม่ได้เสีแล้วเพามันตั้งใช่มอเตอร์สูบน้ําสูบน้านําจากบอ่อ บางทีมันก็คิดว่าเป็นเรื่องรู้ราโกดีมีเกียรติเพื่อนเขามีเราก็ต้องมีอย่างนี้เรียกว่าบาปที่มาพร้อมๆ ก, กันกับความเจริญระวังให้ดียังไม่ต้องมีวิทยุก็อย่าไปมีกับมันเลยเป็นเรื่องบ้ายังไม่ต้องมีทีวีก็อย่าไปมีกับมันเลยมันเป็นเรื่องบ้า หรือว่าเดี๋ยวนี้มันจะไม่ต้องมีม่มันมีวิดีโอมาก็อย่าไปมีกับมันเลยมันเป็นเรื่องบ้าหนักยิ่งขึ้นไปอีกอย่าะอย่าลงเข้าใจไปว่าเป็นความเจริญแล้วมันก็เป็นความดีโดยส่วนเดียวถ้าเป็นความเจริญทางวัตถุแล้วมันมีความบ้าติดเข้ามาตั้งครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่งเสมอช่วยการระวังไว้ด้วย อย่าให้ความเจริญหรือความก้าวหน้าที่เขานิยมกันนักนะมาเพิ่มความทุกข์ให้กับเราเราจะป้องกันตัวเราอย่างไรจะตั้งป้อมมั่นคงป้อมค่ายที่มั่นคงต่อสู้กับมันอย่างไรก็คิดไว้ให้ดีๆให้สามารถที่จะต่อสู้กับมันได้นี่เราจะมาพูดถึงการดับทุกข์ ที่แปลกประหลาดคือความทุกข์นอกบาลีในความทุกข์ตามที่กล่าวว่าในบาลีก็พูดกันมาโดยละเอียดมากมายแล้ววันนี้พูดความทุกข์นอกบาลีแต่ก็เพื่อจะให้รู้จักคิดนึกนะอย่าอย่าอย่าไปเอามาเป็นเรื่องกรรมเก่ามันไม่ใช่เรื่องกรรมเก่ามันเรื่องความทำผิดต่ออิทัิปัจยาตาภายนอก จนกลายมาเป็นอิทปธปัจจาภายในเป็นอวิชชาสร้างสังขานวิญญาณอะไรขึ้นมาในภายในแล้วเป็นความทุกข์ให้มันเป็นอิทปธปัจจาภายนอกอยู่แต่ภายนอกเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแล้วก็มีอยู่ที่ภายนอกให้เราเโชคดีหรือโชคร้ายที่ได้มาเกิดในโลกที่มีความเจริญแล้วเขาก็จเจริญเจริญกันจนเป็นธาต ของวัตถุจเจริญทางวัตถุจนเป็นธาตุขี้ข่านะเป็นบาปเป็นขี้ค่าทางวัตถุก่อนนี้เราไม่ต้องมีอะไรมากนักเรื่องทางตาทางหูทางเจะมูกทางลิ้นทางกายทางใจหกเรื่องอาอยาตนะ ห, หกนะไม่มีปัญหาอะไรมากนัก เดี๋ยวนี้มันเจริญยิ่งไปเสหมดเรื่องทางตาก็มายั่วให้ไปเป็นาธาตุของทางตาเรื่องทางหูก็มายั่วให้เป็นาธาตุของความเจริญทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เหมือนกันอืมเดี๋ยวนี้อยากจะดูหนังเมื่อไรก็เปิดดูได้ทันทีถ้ามีทีวีที่บ้าน ่ก่อนนี้ไม่ได้จะดูหนังสักทีต้องรอโอกาสปีหนึ่งมีสองสามครั้งกว่าจะมีงานมีการที่เขาจะมาแสดงหนังเดี๋ยวนี้มันก็มีที่บ้านดูเม่ไรก็ได้แล้วเอาเรื่องเลวๆมาดูก็ได้เรื่องเสียงก็เหมือนกั น, นฟังเพลงฟังอะไรนี่หละก่อนนี้มันต้องนานๆจึงจะไปฟังที่วัดที่ไหนสักครั้งเดี๋ยวนี้มันก็เปิดวิทยุฟังตลอดคืนก็ได้ในความเป็นธาตุทางวัตถุมันก็มีมากขึ้น เป็นธาตุความอร่อยทางตาเป็นธาตุของความอร่อยทางหูเป็นธาตุของความอร่อยทางจมูกเป็นธาตุของความอร่อยทางลิ้นเป็นธาตุของความอร่อยทางผิวหนังเนื้อหนังร่างกายมันเป็นธาตุของจิตใจของอารมณ์ความเคลื่อนควันไปตามอารมณ์ก็เป็นธาตุมากขึ้นนี่คือความเจริญระวังให้ดีมันเป็นปัญหาในมันนํามาเึ็นความทุกข์ ถ้าเราเอาชนะมันไม่ได้ต่อสู้มันไม่ได้มันก็มากันในฐานะเป็นความทุกข์ที่ที่ที่พลุกันก็มารู้กันก็มารู้กันก็มาก็ทําให้เกิดความทุกข์พุทธบริษัทไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นพุทธบริษัทควรจะต่อสู้ได้จะป้องกันได้ในความทุกข์ ความทุกข์ที่ตะว่า น, นอกบาลีทุกแบบฮพุทธบริษัทจาได้พายแพ้กับความทุกข์เกี่ยวกับความแปรปรวนของธรรมชาติหัวเราอยย่อเออมันอย่างนั้นเองให้ไฟมันลุกท่วมโลกก็มันอย่างนั้นเองจนมามันเผาเราตายหลับไปก็เลิกกันไม่ต้องมีความทุกข์ไม่ต้องมีความทุกข์จนไปดับจิตไปด้วยกันก็จะไม่ต้องมีความทุกข์ไม่ต้องกลัวหลวงน้า <c oughs> ไม่ต้องนอนผวาให้มันละอายแม่แล้วแล้วก็พุทธบริษัทจะต้องไม่ประสบกับอุปัติเหตุในโลกที่มีมากยิ่งขึ้นทุกทีแม้จะประสบก็หัวเราะเยาะได้หัวเราะเยาะได้คอเข้าใจว่าหัวเราะเยาะได้อุปัติเหตุมันจะเกิดขึ้น โดยที่เหลือวิสัยเพราะมันมากเกินไปแต่ถ้ามีสติปัญญาอย่างพุทธบริษัทมันจะเกิดได้น้อยมากมันจะกระทบกระทั่งกับอุปัติเหตุเหล่านี้ได้น้อยมากแต่เดี๋ยวนี้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็หัวเราะยออได้สลัดออกไปก็สมักดับไม่เหลือดับจิตด้วยอุปัติเหตุนั่นแล้วก็บรรลุพระอรหันต์เป็นนิพพานไปเลยก็ยังได้ นีต่ตั้งตั้งตังสติไว้ดีๆมันจะมีผลถึงขนาดนี้ไม่ตายเปล่าถ้าตายชนิดนั้นน่ะตายด้วยความกลัวนะ่ะมันเป็นตายโหงะตายด้วยความกลัวไม่อยากตายมีอะไรมาทําให้ตายปั๊บไปนี้เป็นตายโหงมันไม่น่าดูไม่นไม่น่าเลยสรรเสริญอะไนที่ตรงไหนตายอย่างไม่ตายคือไม่มีตัวกูไม่มีตัวตนที่จะตายมีแต่การเกิดการด่าแผงสั้งผานตามเหตุตามปัจจยัยตามกฎอิทธิปัจจัยตา ม, มันก็ไม่เป็นไร พุทธบริษัทจะต้องเป็นทุกข์ทรมานนะเหตุที่ว่าต้องอยู่ร่วมโลกกับคนพานแน่นอนคนพาณมันต้องมากขึ้นในโลกเพราะสิ่งยั่วยวนกิเลส ข, ของมนุษย์มันมากขึ้นคนพานก็มีมากขึ้นในโลกเดี๋ยวนี้คนพานิ่ะมันยังมีไม่ไไมไม่่ถึงที่สุดมันยังจะมีมากกว่านี้แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่น้อยแล้วนะ ไอ้คนพานที่มันเกิดขึ้นในโลกเนะี่ยที่จะทําให้เกิดปัญหากับเรานะ่ะมันก็มีไม่น้อยอยู่แล้วแต่มันยังจะมีมากขึ้นกว่านี้อีกถ้าเราเป็นพุทธบริษัทเราจะต้องมีสติปัญญาเตรียมเนื้อเตรียมตัวพอที่จะอยู่นะในโลกร่วมกับคนพานปัญหามันมีมากหลายทิศทางนะฮะจะไม่สมาคมกันก็ไม่ได้เพราะมันอยู่ในโลกจะสมาคมกันมันก็ไม่ไหวเพราะมันเลวเกินไป ดังนั้นมันจึงต้องสมาคมกันเท่าที่พอสมควรนะที่จะไม่เกิดปัญหาขึ้นมาได้แต่ถ้าว่ามันทําไม่ได้ป้องกันไม่ได้มันเหลือเหลือวิสัยก็เช่นนั้นเองก็หัวเราะย่ อ, ยอจนกว่าร่างกายและจิตใจมันจะดับไปทั้งหมดเหตุหมดปัตใจไม่มีความทุกข์เลยไม่มีความทุกข์เลยไ ม, ไม่เป็นทุกข์ให้ละอายแมว้วที้ว่ามันจะต้อง ประสบปัญหาเกี่ยวกับความหวังดีหรือความรักของคนที่มันโง่และคนเซ่อพุทธประเสัยก็ต้องเอาชนะได้อย่ามานั่งร้องไห้โ้โฮ อ, อ, อ, อยู่เพราะเหตุนั้นแต่จะมีทางออกสำหรับที่จะไม่ต้องเป็นอย่างนั้นเราจะป้องกันได้มากกว่าธรรมดาแต่ถ้าป้องกันไม่ได้ก็เออมันเช่นนั้นเองมันเช่นนั้นเอง ธรรมะสูงสุดในสัพพุทธศาสนาว่าเช่นนั่นเองฟังดูเหมือนกับพูดเล่นแล้วคนหลายคนเขาว่าพูดเล่นเรื่องนี้พูดเล่นไม่เชื่อไม่ฟังอาตมาเทศน์เขาฟังเขาว่าเป็นเรื่องพูดเล่นเช่นนั่นเองแต่คํานี้ไม่ใช่พูดเล่นเป็นความจริงถึงที่สุดว่าอะไรมันเช่นนั่นเองมันต้องสู้ด้วยเช่นนั่นเองคําว่าเช่นนั่นเองมันเป็นไปทุกอย่าง ทั้งเนื้อทั้งตัวผมขนและฟันนั้นทุกๆประมาณนูในร่างกายมันก็เช่นนั่นเองมันประกอบกันขึ้นเช่นนั่นเองแล้วมันก็ต้องมีความเจริญงอกงามเช่นนั่นเองมัต้องมีความเสื่อมเช่นนั่นเองและในที่สุดมันก็จะต้องเกิดการโาครคไขยไข้เจ็บขึ้นมาด้วยเช่นนั่นเองเข <c oughs> าถามเราว่านี่เป็นโรคอะไรอัตมาก็บอกว่ามันโรคเช่นนั่นเอง <c oughs> เป็นโรคเช่นนั่นเองแล้วกินยาอะไรแล้วกินยาเช่นนั่นเอง ora, เช่นนั่นเองที่มันคู่กันมากินยาเช่นนั่นเองแล้วเป็นยังไงข้อยังชั่วก็เช่นนั่นเองขอยังชั่วก็ได้ผลเช่นนั่นเองไม่หายก็เช่นนั่นเองตายก็เช่นนั่นเองมันไม่มีอะไรที่มันแปลกนอกทออกไปจากเช่นนั่นเอง เช่นนั้นเองมันเป็นความจริงสูงสุดอย่างนี้ตถาตาหรือตถาเช่นนั้นเองใครเข้าถึงความจริงข้อนี้อ่คนนั้นเป็นตถาคตเป็นพระพุทธเจ้ามันจะเล่นผู้ที่ถึงซึ่งตถาถึงซึงเช่นนั้นเอง่ะเป็นข้าตถาคตน่ะคําว่าตถาคตนแปลพูดถึงซึ่งเช่นนั้นเองตถาเป็นเช่นนั้นเองขาตาหรือคตแปลว่าถึงแล้ว ตถาคตะถึงแล้วซึ่งเช่นนั่นเองมันถึงซึ่งเช่นนั่นเองแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์แล้วมันหัวเราะเยาะไปได้หมดหัวเราะเยาะความเกิดเช่นนั่นเองหัวเราะเยาะความแก่เช่นนั่นเองหัวเราะเยาะความเจ็บข้าเช่นนั่นเองหัวเราะเยาะความตายเช่นนั่นเองเลยไม่มีปัญหานั่นแหะคือดับทุกข์ได้ดับทุกข์ได้เพราะความรู้เช่นนั่นเอง ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาเช่นนั่นเองไม่เป็นทุกข์นันคอยจาไว้ไว่าเช่นนั่นเองมันจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้หรือจะดับทุกข์ในตัวอย่างเหล่านี้ได้ซึ่งเป็นความทุกข์นอกบาลีความทุกข์ที่ไม่ได้แสดงไว้แจ้งชัดในบาลีแต่มันก็มีอยู่เอามาพูดในฟังในวันนี้ ก็เพื่อให้ว่าพุทธบริษัทเราจะได้มีความรู้ครบถ้วนถูกต้องครบถ้วนเพียงพอสําหรับการเป็นพุทธบริษัทมิฉนั้นมันจะเ <c oughs> พอไปพูดตรงๆว่ามันจะละอายแมวละอายหมาหรือมิฉะนั้นมันจะเลวกว่าแมวหรือเลวกว่าหมานะถ้าแมวและหมาไม่เป็นทุก แล้วคนเป็นทุกข์อย่างนี้จะไม่เรียกว่าเรกวเรกวับแมวและหมาอย่างไรดูสิแมวหมากาไก่หัวควายมันเป็นทุกข์น้อยมากนะมันเป็นทุกข์ <c oughs> น้อยมา ก, นะ ม, ก, ม, ากนะมันไม่ทุกข์ทรมานใจเหมือนกับคนที่รู้จักคิดนึกมีสติปัญญาอย่างคนเที่ยวมีสติปัญญาระวังให้ดีนะสติปัญญาสาหรับจะเป็นทุกข์มันก็มีอยู่นะั่นคือสติปัญญาโง่ มันฉลาดทัางเราจะทำเรื่องให้มากให้เป็นทุกข์ให้มาก น, นีก่เป็นปัญญาโง่ <c oughs> แต่ถ้ามันฉลาดท้านเราจะดับทุกข์ได้ก็เป็นปัญญาจริงเป็นปัญญาฉลาด <c oughs> สัตว์มันไม่มีปัญญาในแบบนี้มากมันก็เลยคิดนึกได้ง่ายๆหิวกินอิ่มแล้วพอหิวาหากินอิ่มแล้วก็พอไม่มีปัญญาที่จะสะสมไม่เป็นมีปัญญาที่จะสั่งวิจกังวลอะไอ า, ร า, อารวรภูพันนั่นนี่ สนะัตว์มีความทุกข์น้อยกว่าคนมีความทุกข์มากกว่าแล้วใครดีกว่าใครถ่านะจะพูดออกวิทยุกระจายเสียงในเดือนเดือนนี้ก็มีหัวข่าว่าอย่าตกนรกทั้งเป็นทำงานไปพลางเกิดเป็นคนทั้งทีอย่าตกนรกไปพลางทำงานไปพลาง <c oughs> เป็นคนแต่ว่าตกนรกไปพลางทำงานไปพลาง <c oughs> มันทำงานด้วยความอยากของกิเลสจำเป็นบังคับให้ทำแล้วก็เป็นทุกข์เพราะกิเลสเพราะความไม่ได้อย่างใจเป็นทุกข์ทรมานใจตลอดเวลาที่ทำงาน <c oughs> อย่างนี้เรียว่าตกนรกไปพลาง <c oughs> ทำงานไปพลางเป็นเรื่องของคน แต่ถ้าสัตว์เดราัจชานไม่มีสัตว์ดรัจฉานไม่มีมันทำงานก็เพียงแค่เดินหากินไปเที่ยวหากินไม่วิจ ก, กังวลไม่มีตัณหาไม่มีโลภะไม่มีอะไรชนิดจิตคนมันมีที่ทำให้นอนไม่หลับเนี่ยสัตว์มันจึงไม่มีโรคนอนไม่หลับเหมือนคนเนี่ยคนมันดีอย่างไรมันจึงคิดมากจนเป็นทุกข์อย่างว่ากลางคืนนี่นอนอัด ขวันกลางวันลุกเป็นไฟกลางคืนอัดขวันกลางวันเป็นไฟอย่างนี้สัตว์มันทําไม่เป็นนะแต่คนมันทําเป็นระวังให้ดีเนี่ยใครจะดีฝ่ากันถ้าคนคนเก่งจริงคนก็ไม่ก็ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ต้องกลางคืนอัดวันกลางวันอ่ะไม่ต้องกลางคืนอัดขวันหรือกลางวันเป็นไฟ มีใจขอเยือกเย็นทางานไปถ้าทำได้อย่างนี้มันก็เกินคนแล้วมันเป็นมนุษย์แล้วเพราะสักกาเกิดมาเป็นคนมันรู้จักแต่คิดนึกไปนในเรื่องของกิเลสตัวตนของตนโลภโทสะโมหะจะทําอะไรสักนิดก็ทาจากกิเลสตัณหามันก็เรียกว่าตกนรกไปพลางทำงานไปพลางอย่าเป็นอย่างนั้นมีจิตใจหยุดปกติ ได้เห็นว่าหน้าที่การงานนั่นคือธรรมะพอใจจะทํายินดีจะทํามันก็ไม่ต้องตกนรกไปฟางแต่มันก็ขึ้นสวรรค์ไปพลางถ้ามันพอใจว่าได้ทําสิ่งที่ควรก็ทำํำสุขจองแล้วแน่อนอนแล้วปลอดภัยแล้วยินดีปรีดาทํางานไปพลางยกตัวยอย่างชาวนาสองคนไถนาคนหนึ่งมันไถนาว่าแล้วข้าวขายซื้อเหล้ากินให้ อร่อยเลยให้เต็มที่เลยชาวนาคนนี้ต้องตกนรกไปพลางไถนาไปพลางนชาวนาคนหนึ่งมันเป็นหน้าที่ที่ต้องไถนาทำนาได้ข้าวแล้วจะตักบาตรใส่ให้พระตักสองสามช้อน <c oughs> อย่างนี้ไม่ได้มีความคิดชนิดที่ตกนรกไปพลางไถนาไปพลาง <c oughs> ถ้ามันตั้งใจไว้ผิดเป็นกิเลสตัณหาไปหมดแล้วมันก็ต้องตกนรกไปพลางทำงานไปพลาง ไม่ว่าจะทํางานอะไรจะ ท, าทจะํานาทําสวนจะค้าขายจะอะไรก็ทำมถ้ามันทําด้วยอวิชชาโดยตันหาโดยอุปาทานมีตัวกูของกูเข้มข้นแล้ว ม, ลล ม, ม, มันก็ต้องตกนรกไปพลางทํางานไปพรางไม่จะเป็นมหาเศรษฐีมันก็ต้องตกนรกไปพรางทํางานไปพลางจิตใจเราร้อนกระวนกระวายวิตกกังวลหวาดกลัวไปพลางทํางานไปพลางมหาเศรษฐีนี่ก็ ตกนรกไปพลางทำงานไปพลางแล้วก็ได้ยินว่าส่วนมากของมหาเศรษฐีก็เป็นอย่างนั้นดูด้วยจ น, นเกือบตายเกือบตายกันในตอนท้ายทั้งนั้นถ้าขับใจไม่ได้มันก็ต้องตายเป็นโรคตายซึ่งเทวดาในสวรรค์กเ็เถอะมันจะกินบุญเก่าไปได้สักเท่าไรทัน <c oughs> ั้นก็ต้องทำหน้าที่ให้ถูกต้อง แล้วก็พอใจไม่เช่นนั้นเทวดาเหล่านั้นก็ตกนรกไปพรางเป็นเทวดาไปพรางเทวดาบ้าบอหืนกระหายด้วยกิเลสตัณหากามารมม์มันก็มีความรักเบียดเบียนจิตใจอิจฉาริษยาหึงหวงฆ่ากันในหมู่เทวดามันเป็นเทวดาไปพรางตกนรกไปพรางไม่น่าดูเลยนี่เราก็เหมือนกันแหละเป็นมนุษย์กันให้ถูกต้องเถิดให้สมกับคําว่าเป็นมนุษย์ มนุษย์แปลว่ามีใจสูงก็สูงกว่าความทุกข์ความทุกข์ขึ้นไม่ถึงมีความพอใจในหน้าที่การงานโอ้หน้าที่นี่คือธรรมะการงานนี่คือธรรมะทาแล้วมันช่วยยินดีไปพลางทำงานไปพลางเนี่ยเรียกว่าพอใจในการงานไปพลางมีธรรมปีติในการงานไปพลางอิ่มอกอิ่มใจในการได้กระทำพอเหงื่อออกมายิ่งพอใจโอ้กูทำงานถึงขนาดแล้วทำงานถึงขีดแล้วเหงื่อจึงออกมา ถ้าเหงื่ออกมาก็ไม่โกรธะไม่อึดอัดกับฟัดกับฟีดนะครับแค้นใจอะไรมันก็เลยมันก็ว่ามีความสุขไปพลางทํางานไปพลางไม่ตกนรกไปพลางทํางานไปพลางเหมือนคนทั่วไปนี่ถ้าใครทํางานด้วยความอึดอัดขัดใจคนนั้นมันก็ตกนรกไปพลางทํางานไปพลางนั่นจะดีอะไรไปเปลี่ยนจิตใจเสียใหม่พอใจว่าอหน้าที่การ ง, งานนั่นแหละคือธรรมะ พอได้ปฏิบัติหน้าที่คือธรรมะก็อิ่มใจพอใจก็สบายก็ทํางานสนุกเป็นสุขเมื่อกลังทํางานหรือว่าตัวอย่างมันจะง่ายขึ้นมาอีกแปลว่ามันไปซื้อลอตเตอรี่มาคนหนึ่งมันซือมาสําหรับให้หิวจะถูกหิวจะถูกนอนก็ไม่ค่อยหลับมันก็ไปซื้อลอตเตอรี่มาสำหรับเป็นนรกสุมหัวมันคนหนึ่งมันซื้อมาแล้วก็เฉยเฉยแกว่เฉยเฉย เมื่อไรถึงวันออกมันก็ไปสอบถูกรืึไม่ถูกก็แล้วกันมันไม่ได้เอานารกมาซุ้มหัวมันนี่ระวังคนที่ซื้อลอตเตอรี่ระวังให้ดีๆอย่าซื้อออกมาเป็นนรกซุ้มหัวนอนไม่ค่อยจะหลับนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาสามัญกันแล้วก็นีน่เรียกว่าเรื่องว่ า, วาไม่ค่อยไม่เรื่องไม่ค่อยดีแล้วองอาบายามุกแล้วมันก็ยังต้องระวังว่าอย่าให้มันกลายเป็นเรื่องตกนรกไปพลางทํางานไปพลาง อย่าให้ความคิด เ, เป็นเปนทางผิดฉลาดในทางผิดฉลาดในทางผิดมีปัญญาเชโกไปแช่ในทางผิดก็ได้มันไปเป็นโจรที่ดีเลิศ ก, ก็ได้ไปเป็นอะไรที่ดีด้ว ก, ก็ได้เพราะว่ามันฉลาดเพราะความฉลาดมันเดินผิดทางเราอย่าให้ความฉลาดมันเดินผิดทางเลยให้มันเดินถูกทาง แล้วมันก็จะตั้งได้ผลสมกับที่ว่ามันเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ะคําว่าเป็นสัตว์เนี่ยในคำหมายทั่วไปมันแปลว่าผูกข้องติดคําว่าสัตว์สัตว์นั่นสัตว์นี่ยสัตว์โลกสัตว์นี่แปลว่าผูกข้องติดอยู่ในกองทุกข์คาว่าคนคนนี่มันแปลว่าเกิดมาเกิดมาก็เป็นคนแต่ถ้ า, ามนุษย์มนุษย์มันก็จิตใจมันสูงใจมันสูง มโนใจอุตส่าห์สูงมันใจใจสูงมันต่างกันนะสัตว์คนมนุษย์สามอย่างนี้ต่างกันมากนี่เทวดานะโชคดีหน่อยมันได้ทําความดีอะไรไว้มากมันก็แปลว่าผู้เล่นผู้เล่นหัวนะ่ะเทวดาคําว่าเทวดาแปลว่าผู้เล่นหัวแล้วอย่างหนึ่งก็ว่าผู้รุ่งเรืองแต่ตัวนั้นคือนแล้วผู้เล่นเล่นหัวเล่นสนุกสนานนี่เพราะมันมีมทําอะไรไว้มากสะสมไว้มาก มันมีโอกาสที่จะเล่นหัวไปกว่าจะหมดบุญแล้วมันก็จโจนลงมาสู้กันชั้นธรรมดาอีกยังไม่พ้นยังไม่พ้นจากวัฏฏะยังทีจะลุ่มหลงมาไปกว่ามนุษย์อีกเอาละเป็นนั้นว่าได้นำเอาเรื่องของความทุกข์ในหลายหลายแง่มุมมาคูดกันสักทีหนึ่งว่าดับทุกข์ทั้งหมดทุกอย่างทุกประการโดยผูกวิธีของพุทธบริษัทวันนี้อุตริน่อย ไปค้นความทุกข์นอกบาลีมาพูดให้ฟังทั้งสี่เรื่องอทุกข์เพระความแปรปรวนของธรรมชาติออทุกข์เพราะอุปัติเหตุซึ่งจะมีมากขึ้นในโลกนี้ทุกข์เพราะต้องอยู่ร่วมกับคนพานทุกข์เกิดจากความหวังดีของคนโง่คนเซ่อนี่ก็ทุกข์เพราะว่ามันยากอย่างยิ่งที่จะอยู่ในโลก เจริญด้วยสิ่งยั่วยวนยิ่งขึ้นทุกทีห้าประการนี้ตัวอย่างห้าประการนี้ยังมีอีกมากแต่ว่าห้าประการนี้มันก็พอที่จะเห็นว่ามันเป็นทุกข์ตามธรรมชาติของธรรมชาติที่ไรจตนาให้มองเห็นชัดเจนว่าโอ้มันเช่นนั่นเองอย่าเอามาเป็นความทุกข์ให้ละอายแมวไม่ต้องเป็นทุกข์จนกว่าจะดับจิตเริงสุดท้ายคือดับดับไป พอจิตมันจะดับเอาผู้สมัครดับไม่เหลือไม่ต้องมาเกิดอีกเอาอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นอิทธปัจจตาข้างนอกของธรรมชาติข้างนอกของสิ่งไร้จิตไร้วิญญาณอย่าไปเอามาทําให้เป็นอิทธปัจจตาข้างในของคนที่มีอชีวิตจิตใจรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งได้อยเอามาทําให้เป็นอิทัปัจจตาโง่โง่ข้างในจนเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาก ให้มันสิ้นจุดเป็นของธรรมดาว่าเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองอยู่ในคาถาเช่นนั่นเองดีกว่าเอาพระเครื่องมาแขวนคอสักสามกิโลคอของใครทนได้บ้างถ้าจะาระเครื่องมาแขวนคอสักสามกิโลเราจะมาคิดว่าเอาเอาี๊ยทพจตาคําเดียวมาแขวนไว้นระดับทุกข์ได้มากกว่าป้องกันความทุกข์ได้มากกว่าอเอาแล้วว่าการบรรยายในวันนี้ ก็พูดถึงเรื่องการดับทุกข์อันเกิดมาจากธรรมชาติภายนอกที่ไรจตนาเป็นการบรรยายที่สมควรแก่เวลาแล้วเพราะว่าเป็นวัดจึงต้องขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงคำนี้เป็นโอกาสให้พระอคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยาย เพื่อเคยกำลังใจในการที่จะปฏิบัติธรรมะให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนตามสมควรแก่เวลาหนาบัดนี้